เอาน่าอย่าซสีเรียกเรื่องปฏิพานของหลานคุณตาเลี้ยงแมวไว้สองตัวเจาะช่องฟ้าไว้สองช่อง ช่องหนึ่งใหญ่สำหรับให้แมวตัวใหญ่เข้าออกส่วนช่องหนึ่งเล็กไว้สำหรับให้แมวตัวเล็กเข้าออกวันหนึ่งหลานชายถามว่าคุณตาครับทาไมคุณตาต้องเจาะไว้ทั้งสองช่องละครับคุณตาก็อธิบายให้ฟังหลานชายออกความเห็นว่าเจาะช่องใหญ่ช่องเดียวก็พอแล้วครับเพราะทั้งแมวตัวเล็กตัวใหญ่ ก็ออกช่องใหญ่รวมกันได้ครับโดยไม่ต้องเสียฝาที่เจาะถึงสองช่องตาบอกว่าเออจริงสิไอ้ล้านชายตาเข้าใจผิดไปหน่อยที่ว่าคบเด็กสร้างบ้านคตินี้ควรเลิกใช้ได้แล้ว